hmm ที่วัดป่าสุกตนเรามีกิจกรรมที่มาทำพร้อมเพรียงกันนะตั้งแต่ตีสี4คือมาทำวัดสดมนร่วมกันซึ่งก็หมายความว่าพวกเราก็ต้องตื่นกันตั้งแต่ตีสามีสามครึ่งหรือบางคนก็จะตื่นก่อนหน้านั้นหลายคนจะรู้สึกว่ามัน เป็นเวลาที่ตื่นเช้าเกินไปบางคนก็คิดกระทั่งว่ามันเป็นการสร้างความทุกข์ทรมารให้กับตนเองจะที่จริงเวลาแบบนี้นี่เป็นเวลาที่นักธุรกิจหลายคนนะเดี๋ยวนี้ <c oughs> เขารู้สึกเป็นเรื่องธรรมดามากนะตื่นประมาณนี้ <c oughs> เราอาจจะไม่ทราบวันนี้มีนักธุรกิจหรือผู้บริหารองค์กรระดับ ใหญ่ๆนะของโลกนี้เขาจะเรียกว่าเป็นค่านิยมแลยก็ว่าได้นะที่ต้องตื่นเช้าอาจจะพูดว่าเช้าก็ไม่ถูกนะเพราะเขาตื่นมาตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นอย่างซ e o ของเป p s i นี่เขาว่าตีสก็ตื่นล้ว CEO ของ Disney น, นะตื่นตีสี่ครึ่งนะ ซีอของท w i t เต r นี่ถือว่าตื่นถือว่านอนอุดตู่นะตื่นตีห้าครึ่งเนี่ยก็ถือว่าโอ้ยนอนเยอะไปแล้วนะวันนี้เนี่ยเป็นจะเป็นแบบแผนวัฒนธรรมหรือวิธีชีวิตของพวกเขาเลยนะตื่นเช้ามากนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากไม่ใช่เป็นเรื่องทารมานตนเลยก็ตื่นมาตั้งแต่ตีสี่หรือบางคนตีสามครึ่งเนี่ยเพราะอะไรนะ ตื่นมาเพื่อที่จะได้บริหารกายตั้งแต่เช้าอย่าง CEO ของ Apple เนี่ยตีห้านี้เขาก็ไปถึงยิมแล้วไปถึงโรงยิมแล้ ว, งลงลวออกกำลังกายเตรียมออกกำลังกายก็ถือว่าเรื่องการฝึกกายนี่เป็นเรื่องสำคัญหรับการทำงานซึ่งเต็มไปด้วยภาระ แล้วก็มีการแข่งขันกันสูงนร่างกายนะที่แข็งแรงนะก็จำเป็นนะสำหรับการทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้ว ก, กับองค์กรของเขาแต่เราตื่นมาแต่เช้าเนี่ยจุดหมายสำคัญก็คือเพื่อบริหารใจเพื่อฝึกใจเพื่อพัฒนาจิตใจ หรือถ้าพูดอย่างภาษาที่ใช้เมื่อวานเนี่ยคือเพื่อที่จะมาฟังเสียงหัวใจของเราช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ใจเนี่ยสามารถที่จะบอกอะไรที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวเราได้เยอะไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าเราเป็นใครเรามีความโดดเด่นความสามารถหรือศักยภาพที่ตรงไหนเรามีนิสัยใจคออย่างไร แต่ยังบอกสิ่งที่ลึกไปกว่า น, นั้นนะบอกให้เรารู้ว่าหนทางแห่งความพ้นทุก์เนี่ยคืออะไรด้วยซ้ำครูบาอาจารย์หลายท่านนะท่านก็จะแนะนำให้ตื่นแต่เช้าเป็นช่วงเวลาที่จิตเนี่ยนะพร้อมที่จะตื่นพร้อมที่จะเป็นเวลาดีที่สำหรับการ พิจารณาใจของเราพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือเจ้าอดีตเจ้าชายสิทัศนเนี่ยตัดสุรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ช่วงเวลานี้แหละนะช่วงเรียกว่ายามสามยามสามก็คือประมาณตีสองถึงหกโมงเช้าพระองค์บำเพ็ญภาวนามาทั้งคืนนะแล้วก็ได้เห็นความจริงนะของชีวิตเป็นลำดับ จนกระทั่งยามสามเนี่ยจะเรียกว่าใจก็ได้นะได้บอกนะถึงความจริงที่ลึกซึ้งที่สุด ข, ของมนุษย์เริ่มตั้งแต่ว่าทุกข์ใจเพราะอะไระะพระองค์เนี่ยทรงค้นพบนปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นความจริงเกี่ยวกับเรื่องการเกิดทุกข์หรือที่เรียกว่ากระบวนการก่อทุกข์ ใจก็ตอนยามสุดท้ายนี่แหละและเป็นความจริงนะเป็นการค้นพบที่สำคัญมากนะลึกซึ้งที่สุดและพระองค์ก็สิ่งที่ห ล, ลงเรีลนรู้จักใจนะก็พระองค์ก็มาสรุปเป็นอริยสัจ4นีะ่ที่สอนนำมาสอนให้กับ ปัญจวัคคีย์เรื่อยมานะจนตกมาถึงเราอันนี้คือความจริงที่โปรงส่งค้นพบนะเป็นสิ่งที่เรียกว่าใจนั่นแหละนะได้เปิดเผยให้เห็นให้รับรู้ได้ก็ช่วงเวลานี้แหละนะช่วงเวลาเช้ามืด เพราะฉะนั้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลสำคัญเลยทีเดียวที่เรานะที่วัดป่าสุกโตรเราตื่นเช้านะบางท่านก็เช้ากว่า น, นั้นซะอีกนะเพื่อได้มาอ่านใจมาดูใจของเรานะแต่ว่าการที่เราจะอ่านใจหรือเราการที่เราจะฟังเสียงหัวใจเราได้อย่างที่บอกเมื่อวานนะก็คือว่ามันต้องต้องเอาชนะอุปสรรคนะ ต้องผ่านอุปสรรคที่สำคัญอุปสรรคนั่นคือเสียงที่มันดังระ ง, งมอยู่ในหัวสมองของเราเสียงนี้มันจะดังมากนะโดยเฉพาะในช่วงเช้าเ้าพอพระาทิตขึ้นเนี่ยนะเสียงก็เริ่มจะดังขึ้นดังขึ้นในหัวของเราแต่ช่วงช่วงเช้ามืดนี่เสียงมันยังดังน้อยหน่อยนะ สถานีวิทยุนะี่ยคิดไม่หยุดเนี่ยมันยังไม่ทําการเต็มที่นะพอเสียงยังไม่ถึงกับดังระ ง, งมเนี่ยนะเราก็มีโอกาสเชียจะได้ดินเสียงหัวใจการปฏิบัติเนี่ยก็คือการทําให้เราก้าวข้ามไออุปสรรคอันนี้ทําให้เสียงที่มันดังอยู่ในหัวของเราเนี่ยมันค่อยสงบลงค่ค่อยสงบลง จนกระทั่งเราสามารถที่จะได้ยินเสียงแผ่วเบานะที่ออกมาจากหัวใจของเราเป็นเสียงที่จะเปิดเผยให้เรารู้จักตัวเราเองให้เราได้เห็นความจริงของชีวิตทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรแต่ที่จริงเนี่ยนะแม้ว่ายัาไม่ทันจะได้ยินเสียงจากหัวใจเราเนี่ยเพียงแค่ว่าไอ้เสียงที่มันดังระ ง, งมในหัวเราเนี่ยมันสงบลงเนี่ย แค่นี้เนี่ยก็ช่วยได้เยอะแล้ว่คนทุกวันเนี่ยเป็นทุกข์มากนะจากการที่มันมีเสียงดังในหัวดังไม่หยุดนะจนนอนไม่หลับนะหลายคนนี่จะรู้สึกได้เลยนะว่าแม้กระทั่งเวลาจะหลับก็หลับไม่ลงหลับไม่ได้เพราะมีเสียงอยู่ในหัวมันมีความคิดนะที่ ออกมาไม่หยุดนะจนกระทั่งตาค้างเลยนอนอยังไงก็นอนไม่หลับเพราะนั้นเนี่ยเพียงแค่เสียงในหัวนะมันซาลงมันแผ่วเบาลงนะยังไม่ทันจะได้ยินเสียงหัวใจน่ะเพียงแค่เสียงในหัวมันแผ่วลงเนี่ยก็พอใจแล้วนะมันเป็นความสุขแล้วล่ะ ลหลายคนก็พยายามทำเพื่อให้เสียงในหัวมันหายไปถ้ามันไม่หายก็กินยานนอนหลับซะเลยเนะกินยานนอนหลับยา น, านอนหลับอย่างนี้ก็ขายดีมากเพราะว่ามันเป็นวิธีที่จะช่วยทำให้ไม่ต้องไปทุกข์กับไอความคิดที่มัน พ่นออกมาไม่หยุดแต่มันก็ไม่ใช่จะช่วยแก้ปัญหาได้จริงจังเพราะถึงแม้จะหลับมันก็ในความคิดมันก็โผล่ในความฝันต่อฝันฝันสารพัดกลางคืนฝันกลางวันฟุง้งอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมากนเพียงแค่ได้พบวกวับความสงบในใจ ความคิดที่มันพ่นออกมาไม่หยุดเนี่ยมันเริ่มซาาลงเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็พอใจแล้วผู้คนเดี๋ยวนี้ก็พากันแสวงหาสภาวะเช่นนี้แหละความเงียบสงบในใจเนี่ยนะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะแลเป็นความสุขที่ประเสริฐมากมันเป็นความสุขที่เราควรจะรู้จักนภาษาไทยมีคําว่าสงบสุขนะสงบสุขเนี่ย มันบ่งชี้เลยนะว่าความสงบเนี่ยนะเป็นความสุขแล้วก็เป็นความสุขที่นับมันจะหาได้ยากขึ้นเรื่อยๆเพอเดี๋ยวนี้ผู้คนนี้ไม่สงบเลยไม่สงบทั้งภายนอกนะก็คือเสียงดังวุ่นวายรอบตัวแล้วก็ภายในก็ไม่สงบตัวเป็นลาการที่ผู้คนเนี่ยนะไม่รู้จักหรือเข้าไม่ถึงนะ ความสงบสุขก็เพราะว่าไปติดยึดอยู่กับความสุขอีกแบบหนึ่งนะซึ่งมันมีลักษณะตรงกันข้ามกันเลยนะกับความสุขที่เกิดจากความสงบนะความสุขที่ตรงข้ามที่ว่าคือความสุขที่เกิดจากการเราจิตกระตุ้นใจผู้คนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะพากันไปหาความสุขประเภท น, นี้มาก แล้วความสุภเพนี้ต้องอาศัยวัตถุนะต้องอาศัยวัตถุสิ่งเสพเช่นเพลงที่ไพเราะ อ, อาหารที่อร่อยนะหรือว่าภาพยนตร์รวมทั้งสินค้าต่างๆที่เขาวางขายยิ่งเป็นสินค้าแบรนด์เนมเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเราจะกระตุ้นใจมากขึ้น ความสุขทางวัตถุเนี่ยนะหรือที่ทางพระลวกามาสุขเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะัมันล้วนแล้วแต่เป็นความสุขที่มุ่งเราจิตกระตุ้นใจให้ตื่นเต้นอาหารจะอร่อยต้องมีรสชาติที่มันกระตุ้นลิ้นทั้งหลากหลายทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเผ็ดนะอาหารอร่อยเพราะมันกระตุ้นลิ้นแล้วยิ่งมันมีรสชาติหลายชนิดนะมากระตุ้นลิ้นเราเนี่ยมันก็ยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่ นะเพลงจะเพราะหรือเพลงจะสนุกได้ต้องกระแทกกระทันนะหรือว่าหนังจะสนุกได้ก็ต้องเป็นหนังที่แอคชั่นนะเรียกว่ามีฉากสู้ฉากบู้กันนะแทบจะไม่ได้หยุดเลยเดี๋ยวนี้เริ่มต้นมานะแค่ไม่ถึงนาทีก็บู้กันละนะไล่ล่ากันนะยิ่งมีการ ค่ากันเลือดสา่าไรเลือดท่วมจอนี่ก็ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่ความสุขทางเพศก็เหมือนกันนะมันก็มุ่งที่เรากระตุ้นนะทั้งกายทั้งใจแม้แต่เงินทองเนี่ยนะซึ่งเดี๋ยวนี้แค่เห็นก็มีความสุขแล้วเพราะมันกระตุ้นนะมันกระตุ้นเราจิตใจของเรามาทำให้เกิดจินตนาการได้เงินล้านได้เงิน แสนนี่จะเอาไปทำอะไรใจนี่มันจินตนาการเรียกว่าเพลิดไปเลยนะยางนี้หลายคนเนี่ยเพียงแค่ไปเที่ยวห้างก็มีความสุขแล้วเพราะว่ามันมีแสงมันมี ส, มมสีมันมีกลิ่นที่ไปกระตุ้นเรานะนะจิตใจของของเราเห็นแสงสีเห็นข้าวของต่างๆก็เกิดความตื่นเต้นแค่ตื่นเต้นก็มีความสุขแล้วนี่คือธรรมชาติของ ความสุขทางวัตถุนะมันรอจริตกระตุ้นใจและมันมีเสน่ห์เพราะว่ามันทําให้คนเรามีความสุขได้ง่ายแต่ว่ามันก็เจอไปด้วยทุกขเป็นสุขชั่วคราวสุขง่ายแต่ในเวลาเดียวกันก็เบื่อง่ายฟังเพลงที่เพราะจะเพราะแค่ไหนเนี่ยถ้าฟังไปสิบยี่สิบเที่ยวก็เบื่อแล้ว ต้องดิ้นรนไปหาเพลงใหม่มาฟังไปหาแผ่นใหม่มาฟังดูหนังก็เหมือนกันนะดูหนังเรื่องไหนที่สนุกเนี่ยดูไปสักห้าหกเที่ยวก็เบื่อแล้วต้องไปหาแผ่นใหม่มาดูเสื้อผ้าก็เหมือนกันนะเสื้อผ้าตอนที่วางขายอยู่ก็สุดตื่นเต้นอยากได้พอได้มาละบางทีไม่ทันได้ใส่ไม่ทันได้สวมนะแขวนไว้ เป็นเดือนก็เบื่อแล้วไปหาตัวใหม่มาไปซื้อตัวใหม่มารองเท้านะตอนแรกที่ซื้อมาก็ดีใจแต่ว่าพอใส่ไปสักสีห้าครั้งก็เบื่อแล้วอันนี้ก็รวมไปถึงข้าวของเครื่องใชยอย้อื่นด้วยนะจะเป็นโทรศัพท์จะเป็นโทรทัศน์หรือว่ารถยนต์เนี่ยถ้าหากว่ามีกําลังซื้อนะ ก็จะซื้อใหม่นะแทบทุกแทบทุกปีอันนี้รวมไปถึงคู่ครองด้วยคนรักนะนะก็เบื่อง่ายเหมือนกันนะเพราะนี่คือธรรมชาติของความสุขที่มันเราจิ ก, กระตุ้นใจนะคือว่าพอมันเราไปมากมเนี่ยใจมันก็จะเริ่มด้านมันก็จะเริ่มด้านนะของเดิมนี่มันไม่สามารถจะกระตุ้นใจให้ตื่นเต้นได้เหมือนเก่า แต่ก่อนนี่มันก็ตุ้นใจได้ให้ตื่นเต้นเท่ากับสิบนะตอนหลังก็ค่อยๆลดลงมาเหลือเ้าหรือ8หรือเหรือหหรือห้าจนทั่งศนย์คือเฉยๆตอนที่เจอคู่คนรักใหม่ๆว่าตื่นเต้นดีใจนะแต่พออยู่กันไปนานๆอยู่ไปนานๆก็ชักเบื่อความรู้สึกเฉยๆแล้วบางทีติดรอบไปซะอีกนะทำให้ดิ้นหลุหาคนใหม่นะแล้วเป็นงี้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นมันก็เลยเหนื่อยจึงเรียกว่าเป็นสุข สุขชั่วคราวแต่ทุกยาวนานซึ่งนี่มันตรงข้ามนะกับความสุขอีกประเภทหนึ่งนะความสุขที่เกิดจากใจที่สงบคนเราพอได้เสพความสุขที่มันเราจิตกระตุ้นใจมากๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันก็เบื่อนะต้องการสแสวงหาความสุขที่มันประณีต ก, กว่านั้นนะความสุขที่ไม่ต้องเราจิตกระตุ้นใจมากไม่ต้องกระตุ้นผัสสะแต่ว่าช่วยทําให้ใจสงบลงสงบลง บางคนเนี่ยมีความสุขมากในเพียงแค่ได้เห็นผ้าทิศตกนะธรรมชาติที่งดงามมันงดงามแบบประณีต น, นะพอได้สัมผัสธรรมชาติแบบนั้นนะก็ใจก็สงบมีความสุขหรือว่ามองดูท้องฟ้านในยามค่ำคืนนะมีแสงระยิบระยับของดวงดาวนะมันก็ไม่ได้เลาจิตอะไรนะแต่ว่าเห็นแล้วเนี่ยมันก็ค่อยๆน้อมใจให้สงบ มันก็มีสเสน่ห์ของมันนะหรือเพลงเนี่ยที่เคยฟังเพลงดังๆเพลงกระแทกกระทันตอนหลังมาฟังมาฟังเพลงที่มันก็ค่อยสงบลงมีเครื่องดนตรีไม่กี่ชิ้นมีจังหวะสำหรับช่องว่างนะใจก็ค่อยน้อมสู่ความสงบนะอย่างเพลงของพวกเซนเนะเซนเพลงแบบเซนเนี่ยมันเป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้ราจริงกระตุ้นใจนะแต่ ตรงกันข้ามมากกว่าคือค่อยน้อมใจให้สงบสงบและนี่นคือความสุขที่หลายคนนะที่เริ่มเบื่อหน่ายนะแล้วหรือหรือเหนื่อยล้า ก, กับความสุขประเภทแรกเนี่ยก็ามาสแสวงหาถ้าบางคนเพียงแค่มาที่วัดป่าสุกโตแล้วก็ได้สัมปะคธรรมชาติธรรมชาติก็ไม่ได้สวยงามอะไรมากนะแต่เป็นธรรมชาติแบบซื่อๆตรงๆนะธรรมดาธรรมดา แต่คนก็รู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์ละเพราะอะเพราะว่ามันเงียบหลายคนก็ความรู้สึกอย่างแรกก็คือความรู้สึกพอใจที่มันสงบให้เราเนี่ยมารู้จักกับความความสุขประเภทนี้กันนะมันคือสิ่งที่ใจเรียกร้องนะสิ่งที่ใจเรียกร้องใจไม่ได้เรียกร้องความตื่นเต้นความบุ๋มหวานะหรือว่าอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะ ตอนนั้นมันชั่วคราวเสียไปมากใจมันก็ล้าใจมันก็เหนื่อยนะเหนื่อยหรือบางทีก็เบื่อที่ซ้ำนะเบื่อกับรสชาติที่ซ้ำซากหรือไม่ก็เหนื่อยกับการที่ต้องไปดิ้นลนหาของใหม่ๆมาสุดท้ายนะมันก็กลับมานะสู่ของที่เป็นธรรมดาสามัญเมืเม่อนคนที่เคยติดน้ำอัดลมนะตอนน้ำนะไม่ใช้น้ำอัดลมนะกินไม่ได้นะ ตอนลังในโกลับมาสูน้าน้ำเปล่ากลับมาสู่น้ำเปล่าน้ำฝนธรรมดาธรรมดาน้ำอัดลมนี่กินไปนานๆก็เป็นโรคนะทั้งโรคฟันโรคเบาหวา น, ก, นกินมากกินบ่อยไม่ได้แต่น้ำจืดน้าเปล่าเนี่ยกินได้ทั้งวันกินได้ตลอดชีวิตแล้วขาดไม่ได้ด้วย ในยามที่หิวโหยนี่จะรู้สึกเลยนะว่าน้าเปล่าเนี่ยนะเพียงแค่น้าเปล่านี้ก็ดื่มแล้วก็มีความสุขเอคนเราเรื่มก็โหยโหยหาความสงบนะโหยหาความสงบเนะใจมันเรียกหาโดยเพราะในยุค ป, ปัจจุบันที่มันมีแต่ความวุ่นวายนะข้างนอกก็วุ่นวายเสียงก็ดังไม่ใช่แค่เสียงรถจนอย่างเดียวที่มีเสียงเพลงเสียงพูดคุยเสียงโทรศัพท์ เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เสียงนะที่มันรบกวนความสงบบางทีเป็นข้อความแล้วข้อความที่ส่งมาทางไลน์ทางเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้กระนําเข้ามาเวลาเป็นร้อยข้อความเดี๋ยวนี้ร้อยข้อความก็ยังน้อยนะบางทีหลายร้อยนะเฉพาะไลน์กลุ่มเนี่ยนะมันก็มาทีหนึ่งวันหนึ่งก็สองสามร้อยแล้วนะเดี๋ยวนี้คนเล่นไลน์กันเยอะแล้วไลายกลุ่ม กลุ่มหนึ่งก็ห้าสิบหกสิบข้อความมีกี่กลุ่มอะสิบกลุ่มก็ห้าร้อยข้อความเข้าไปแล้วนะในหนึ่งวันอ่านมากๆก็เครียดนะอันนี้เฉพาะ l ลน e นะ a c e b o o k ต่างหากอีเมลว่ามันมันกระหน่ำเข้ามาในจิตใจนะมันท่วมท้นตนล้นเกินแล้วจิตใจก็ลาใจมันก็หยหาความสงบ ถ้าลองฟังเสียงหัวใจก็จะรู้ว่าเนี่ยมันถึงเวลาที่เราต้องปลีกตัวนะถึงเวลาต้องเว้นวังให้กับชีวิตแล้วนะเพราะว่าชีวิตมันวุ่นวายเร่งรีบมากเกินไปหลายคนเนี่ยพอมาวัดป่าสุกโตเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันมันมีอะไรบางอย่างที่เรียกร้องอยู่ข้างในใจนะว่าว่านี่แหละนะั่นคือสิ่งที่เราโหยหานี่คือสิ่งที่เราแสวงหานี่คือสิ่งที่เรานะขาดแคลน หลายคนมาปฏิบัติก็เพราะเหตุนี้แหละนะเพราะว่าใจมันเรียกร้องนะแล้วนี่แหละคือความสุขนะที่ลึกซึ้งนะความสุขที่เกิดจากความสงบที่เราเรียกว่าสุขสงบนี่แหละพนะพุทธเจ้าตรัสว่าสุขอื่นเยื่อความสงบไม่มีสุขอื่นเยนือความสงบไม่มีนะน ค, วนะความสนุกก็ไม่ใช่นะหลายคนนึกว่าความสนุกคือความสุข วัยรุ่นหนุ่มสาวนี่ก็ไปแสงหาความสนุกนะเพราะคิดว่ามันคือความสุขแต่ในภาษาไทยมันไม่มีมันไ ม, ม, ม, ม, ม่มีเลยนะว่าสุขสนุกอนะมันมีแต่สุขสงบภาษาไทยไม่มีคําว่าสุขสนุกนะเพราะว่าสนุกมันไม่ใช่ความสุขนะสบายก็ไม่ใช่นะแล้วมีคําว่าสุขสงบเพราะว่าความสงบนั่นแหละนะเป็นเป็นความสุขนะอย่างอย่าง อย่างเลิศ ก, ก็ว่าได้อย่างประเสริฐนี้ความสุดสงบจะมาได้อย่างไรนะเราจะรู้สึกว่าชีวิตต้องการจิตใจต้องการความสงบนะเมื่อเราได้มาพบกับสิ่งที่เงียบสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนเช่นได้มาอยู่ท่ามกลางป่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหลังจากหายกลัวสักพักนะทีแกอาจจะกลัวอาจจะตื่นเพราะเป็นที่ ท, ที่แปลก พอเริ่มคุ้นเคยกับมันก็เริ่มเริ่ ม, มสัมผัสกับสเสน่หนะคือความสงบหลายคนก็แสวงหาสถานที่ที่สงบนะไปเกาะบ้างไปทะเลบ้างขึ้นเขาไปป่าบ้างนะอย่างนี้เราก็เกิดนะมีจะเรียกว่าเป็นค่านิยมนะหรืออาจจะเป็นแฟชั่นก็ได้นะพอสาววันที่นี้ก็ต้องเข้าไปไปสัมผัสกับธรรมชาติ ไปเขาใหญ่ไปหัวหินอะไรทำนองนั้นนะเพื่อไปสัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับความสงบนะบางคนก็ใช้สถานที่เหล่านั้นเพื่อแสวงหาความสนุกนะแต่ที่แสวงหาความสงบก็มีเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ความสงบของสถานที่เนี่ยมันก็ช่วยได้ชั่วคราวนะหรือช่วยได้บ้างนะ มันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทําให้เราได้พบความสงบภายในนะความสงบภายนอกเนี่ยแต่บางคนเนี่ยนะแม้มาอยู่ในที่ที่สงบแต่ว่าใจก็ไม่สงบนะข้างนอกสงบนะแต่ข้างในไม่สงบนะความคิดมันก็ยังอออกมาไม่หยุดนะเสียงในหัวก็ยังดังระงมนะอยู่ไม่เลิกบางทีก็มีความวิตกกังวล เรื่องงานการห่วงลูกนะบางทีก็ห่วงบ้านนะไม่แน่ใจว่าได้ล็อกบ้านดีหรือเปล่าแ ล, ล, ล้วรถล่ะรถที่จอดไว้ในบ้านนะราคาแพงก็กลัวจะมีคนมาขี่ไปเอาไปหรือเปล่าไอ้ความกังวลอย่างนี้แหละนะมันก็ทำให้ใจเนี่ยนะสงบได้ยาก บางที่เ็เป็ น, นึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วใจก็ยังยังฝังใจเก็บเอามาคิดไม่เลือกไม่ไม่เลิกนะคำต่อว่าด่าทอนะของเจ้านายหรือว่าการกระทำที่เจ็บปวดนะของเพื่อนร่วม ง, งานหรือว่าหน้าตาที่บึงบ้งตึงของแฟนตั้งใจว่าจะมากับแฟนแต่ตอนหลังแฟนก็เลิกนะ ไม่มาเพราะความขุนเคืองใจเราเลยต้องมาคนเดียวมาแล้วก็ไม่มีความสุขมาแล้วก็ไม่มีความสงบนะตั้งนั้งที่ข้างนอกนี่ไม่มีเสียงรบกวนอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแม้ว่าจะไปเจอสถานที่ที่สงบนะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าใจจะสงบตามไปด้วยใจจะสงบได้เนี่ยมันต้องอาศัยการวางใจนะต้องอาศัยการอ่า ก, กร่อกลาวจิตใจต้องอาศัยนะสิ่งที่เรียกว่าภาวนานี่แหละสถานที่มันเป็นแค่ตัวช่วยนะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักวิธีการภาวนานะไม่รู้จักวิธีการนะอ่านใจอ่านจิตของเรานะไม่มีไม่รู้วิธีทีจ่จะจัดการกับให้ความคิดและอารมณ์ต่างๆที่อ่า ผ่ออกมาไม่หยุดเนี่ยมันก็จิตใจก็ยังวุ่นวายอยู่นะเสียงก็จะดังอยู่ในหัวไม่เลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานะมาเรียนรู้วิธีนะภาวนาอันนี้มันจะช่วยทำให้นะใจเนะี่ยได้สัมผัสกับความสงบนะแล้วมันเป็นโอกาสที่ทำให้ เราได้ฟังเสียงของหัวใจเราได้ชัดขึ้นเรื่อยๆการสวดมนต์นี่ก็เป็นแคเน่เป็นจุดเริ่มต้นนะหรือว่าเป็นตัวช่วยที่ทําให้ใจเราสงบได้แต่ว่าเท่านั้นไม่พอนะบางคนเนี่ยรู้จักแต่เรื่องการสวดมนต์นะเวลาใจว้าวุ่นนะเวลามีความกลุ้มอกกุ้มใจนอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมาสวดมนต์นะ บางทีการสวดมันก็ทําให้เกิดกําลังใจนะเกิดความมั่นใจในการดําเนินชีวิตตื่นเช้าขึ้นมาสวดมาแล้วเกิดความก็จะเกิดความมั่นใจนะว่าวันนี้ทั้งวันก็จะราบรื่นนะวันไหนไม่ได้สวดมนต์ก็จะรู้สึกว่าไม่มั่นใจนะแต่สวดมนก็มันก็เป็นแค่จุดเริ่มตน้นนะหรือเป็นตัวช่วยอย่างที่บอกหลวงปู่ดู่นะหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยนะว่าสสกีท่านเคยบอกว่า สวดมนต์เนี่ยเป็นยาทาหนะส่วนภาวนานี่เป็นยากินนะยาทาเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่ามันช่วยได้ไม่มากนะมันช่วยได้ไม่มากปวดหัวใช้ยาทาก็ช่วยได้บ้างนะแต่ว่าจะระ ง, งับนะอาการปวดหัวบางทีก็ต้องใช้ยากินนะเช่นแอสไพรินยิ่งถ้าเป็นเบาหวานด้วยแล้วนี่ยาทาเนี่อาจจะไม่ช่วยเท่าไหร่เลยต้องกินยานะ ส่วนมนเนี่ยเป็นเป็นแค่ยาทานะมีประโยชน์นะแต่ว่ายังยังไม่พอนะทาแล้วก็ต้องกินด้วยนะยาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ทิ้งภาวนาสวดมนนะเป็นแค่ยาทานะส่วนภาวนานี่เป็นยากินแล้วเราก็ต้องรู้จักนะว่ายาเนี่ยยากินเนี่ยมันมีกี่ขนาดบ้างภาวนามีหลายขนาดนะมีหลายวิธีมันก็ยาหลายขนาด แล้วก็บางขนานก็แท่ทุกขนานนะมันใหม่ๆมันก็ขมนะมันขมนะภาวนาเนี่ยมันเหมือนยายากินที่ขมเด็กๆก็ไม่ชอบหรอกยาขมอะ่ะนะแต่ว่าถ้าเราทนสักหน่อยนะมันจะแล้วลองกล้ากืนกินเข้าไปนะมันจะช่วยได้นะมันจะมีสิ่งก็มมารบกวนนะเวลาเราภาวนา ความเบื่อความเซงความเครียดนั่นเนี่ยแต่ถ้าเราอดทนเราก็จะผ่านมันไปได้แล้วความคล่องแคล่วความจัดเจนในการภาวนาเนี่ยมันก็จะมากขึ้นและช่วยทำให้สามารถนำพาจิตใจเราได้เข้าถึงความสงบเย็นได้อ้ชาช้านี้กบกท่านนี้นะกราบคระ